บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งคาที่ท่านอุตยมานุกราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกคาหนึ่งนั้นคือ ท, ท่านแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงแล้ว เข้ามาถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงนั้นหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงศัสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะงั้นเมื่อหมายถึงฝั่งการอธาาิบายก็อาจจะพูดว่าเป็นถึงฝั่งแห่งวิชาบ้างถึงฝั่งแห่งวิมุตตบ้างถึงฝั่งแห่งอภิน ญ, ญาบ้างถึงฝั่งแห่งปฏิสัมพิธาเป็นต้นบ้าง ในแง่ของการทำความเข้าใจก็คือพระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงที่สุดแห่งทุกประการทำลายบรรดาอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปนั่นเองปฏิปทาคอนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติหลักที่จะนำผู้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินตามรอยบาท ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระทรงแสดงไว้ว่าคนเรานั้นมีลักษณะเหมือนผู้ที่แบวกไหวอยู่ในกระแสน้ําบางครั้งคงจะได้ยินถ้อยคำที่ท่านเรียกว่าสงสารสาครคือพวกน้ําได้แก่สงสารซึ่งบุคคลต้องแหวกไหวอยู่ในสังสารวัฏในการแบวกไหวเหล่านั้น อาจจะมองในช่วงสั้นๆในช่วงยาวๆก็ได้ท่านจึงเชียเห็นว่าในการแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางกระแสทั้งสารวัตรนั้นเหมือนคนที่ตกลงไปในกระแสน้ำโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพราะกระแสน้ำบ้างเพราะสิ่งที่อยู่ในกระแสน้ำบ้างมีอยู่เป็นนั้นมากและทรงจับแนกแสดงภัยเอาไว้ โดยอนเนกกรประกาศและในกรณีของฝั่งนั้นเองเราทรงอุปมาแสดงเอาไว้ถึงฝั่งสองฝั่งด้วยกันทรงใช้ว่าควางซ้ายหรือวขวางขวาหรือขวางนี้กับขวางนน้น์มีลักษณะที่ห่างไกลกันไม่มีโอกาสที่จะบรรจบกัน เพื่อนบุคคลเห็นภาพเหล่านี้บางครั้งก็สงแสดงว่าอุปมาเหมือนแผ่นดินกับท้องฟ้าจะไม่มีโอกาสบรรจบ ก, กันดังนั้นในกรณีนี้จึงตามมาเห็นว่ามันก็มีอยู่สองด้านคือฝั่งของกุศลกับฝั่งของกุศลกุศลกับอกุศลด้วยความดีกับความชั่วนั้นแม้จะเป็นธรรมะที่คู่กันแต่ก็เป็นคู่ปรับกัน คือแก้ซึ่งกันและกันสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าเป็นปฏิปักกันหมายความว่าเมื่อสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็ต้องดับจะไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันคอนี้บุคคลสามารถตรวจสอบดูจิตของตนในแต่ละขณะคือในช่วงสั้นที่สุดจะเห็นได้ว่าในขณะใดที่กุศลธรรมมีเมตตาเป็นต้นบังเกิดขึ้น ในขณะนั้นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเมตตาเกิด ค, ความโกรธความพยาบาทเป็นต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าในกรณีที่เกิดได้ก็หมายความว่าเมตตาของบุคคลได้หายไปจากจิตแล้วความโกรธความพยาบาทจึงเกิดขึ้นนี่เป็นการมองในแต่ละขณะของความคิดที่เกิดอารมณ์ขึ้นปรุงจิตในลักษณะที่แตกต่างกัน และจะมองในช่วงที่ยาวๆออกไปโดยลำดับซึ่งก็อุปมาเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างอย่างที่ทรงแสดงไปและได้ทรงแสดงถึงบุคคลที่ตกลงหน่อยลงไปในกระแสน้ำว่ามันมีอยู่หลายประเภทด้วยกันจนกว่าจะถึงพวกหนึ่งที่เรียกว่าโสตาปันนะคือโสดาบันได้แก่พูดถึงฝั่ง หรือพูดถึงกระแสของพระนิพพานหมายถึงขึ้นฝั่งได้ในทรงสแสดงบุคคลบางแห่งก็ว่าไว้เจประเภทบางแห่งก็ว่าไว้ห้าประเภทแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเป็นการจำแนกสแสดงถึงพื้นจิตของบุคคลที่มีธรรมะในระดับที่ลดหลั่นกันลงไปซึ่งก็หมายความว่ามีความหนาบางของ บาปของอกุศลแตกต่างกันนั่นเองจึงแสดงว่าบุคคลบางพวกตกลงไปในกระแสน้ำแล้วก็จมหายไปเลยที่เป็นการเชีย่ยเห็นเรื่องบุคคลอีกประเภทหนึ่งมองช่วงยาวในแง่ของการดบรงชีวิตคือเกิดมาในฐานะที่ยากจนขัดสนอยู่ห่ า, หางไกลความเจริญ และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองก็ทำตัวเองให้ตกต่ำอยู่ตลอดไปคนประเภทนี้ที่ทรงเรียกอีกในยะหนึ่งว่ามืดมาและก็มืดไปแต่ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติตนเองบุคคลก็จะเห็นในดับที่ล ด, ดหลั่นลงมาเพราะบุคคลบางคนนั้นเมื่อเริ่มที่อกุศลแล้วก็ตกต่ำลงไปโดยลำดับ อาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆเริ่มทดลองเล่นการพ น, นันเริ่มทดลองดื่มสุราเริ่มทดลองทำทุจริต่างใดจางหนึ่งแล้วก็ถูกกระแสของทุจริตนั่นเองดึงให้เพิ่มพูนทุจริตมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปตามสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้ว่ากุศลธรรมเราใดเหล่าหนึง่ง ที่บุคคลนบังเกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมเหล่าอื่นที่ไม่บังเกิดก็จะบังเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น้อ น, นี้พึงสังเกตว่าเราจะดูในช่วงยาวก็ได้ช่วงสั้นก็ได้แม้ในช่วงขณะของความคิดก็ได้ในกรณีของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นจะพบว่าบางเวลานั่งสมาธิใจตกเข้าสู่ความฟุ้งสั้น แล้วก็ฟุ้งอยู่ได้ตลอดรายการที่นั่งสมาธิซึ่งก็หมายความว่าเป็นการจมลงแล้วก็จมหายไปเลยในช่วงที่สั้นๆที่เราก็ดูกันได้และช่วงเหล่านี้ก็ขยายตัวเองออกไปโดยลำดับจนกลายเป็นสังสารวัฏที่ท่านบอกว่าตกนกรกมกไหมยอยู่ตลอดกาลอนยาวนานซึ่งก็หมายความว่าจมหายไปเลยเป็นการจมลึกลงไปมาก จุดเริ่มต้นที่เป็นเหตุให้จมนั้นจะเป็นช่วงสั้นหรือช่วงยาว ก, ก็ตามก็คือจิตที่ถูกครอบงําด้วยสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลถึงมีความรุนแรงและแทนที่จะลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นเมาเพิ่มขึ้นโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาก็มีแต่จะบุคคลประเภทที่สองทรงแสดงว่าจมลงไปแล้วแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้ เป็นลักษณะของการหมุนบนหาความคงที่แน่นอนไม่ได้ของบุคคลถ้ามองในช่วงยาวที่เรียกว่าเป็นสังสารวัตก็เห็นว่าเป็นบุคคลประเภทที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงภพชาติกันเรื่อยๆอย่างที่ทรงแสดงให้เห็นว่าเหมือนกับบุคคลโยนท่อนไม้ขึ้นไปบนอากาศบางครั้งก็ปลายลงบางครั้งก็โคลนลง บางครั้งก็ตรงกลางโกเช่นเดียวกันสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นอาจจะตายจากมนุษย์แล้ว ไ, ไปเกิดในสุคติไปเกิดในพรหมโลกหรือตายจากมนุษย์แล้ว ไ, ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนารกหรือจะจากเทวโลกมาเกิดเป็นมนุษย์หรือตกนรกไปไหน ได้จากพรหมโลกแล้วมาเกิดในเทวโลกหรือมาเกิดในมนุษย์โลกเป็นตน้นซึ่งแสดงว่าเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้อาศัยการพัดผันของกรรมการหมุนวนของกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่ภบชาติของบุคคลนี่คือการมองในช่วงที่ยาวที่สุดคือที่เป็นสังสารวัฏพอในในช่วงที่สั้นลง เาจะเห็นว่าวิถีชีวิตของบุคคลบางคนนั้นมีลักษณะขึ้นขึ้ น, นลงลงบางครั้งก็ทําตัวเองให้ตกต่ําลงไปเป็นเั่นมากอาศัยการยานามิตรบ้างอาศัยจิตสํานึกของตัวเองบ้างอาศัยการถูกจับกลุ่มคุมขังเป็นต้นบ้างถ้าเกิดกิจจิตสํานึกขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงความประพฤติของตัวเองโดยได้การยานามิตร รักษาคุณธรรมของตัวเองเอาไว้ดำรงตนอยู่ในความดีได้พอสมควรในทสุดก็จะมีการหักเห ข, ของชีวิตไปก็ประกอบความชั่วทุจริตต่างๆข้าวก็จมลงไปอีกมันดีขึ้นดีก็ไปเจอพวกพวกดีได้กัญยาณมิตรสนิทสนมข้าวมีจิตสำนึกดีก็ลงทุนประพฤติปฏิบัติในด้านความดีต่อไปลักษณะเหล่านี้สำนวนไทยก็คือที่พูดกันว่า ช่วยเจ็ทีดีเจ็ดทนนั่นเองการปฏิบัติแนวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแม้ในสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่พระพุทธองค์เองสมัยเป็นพระโพธิสัตว์อย่างไม่ตด้ศัสรู้รับสั่งเล่า ว, ว่าบางชาติพระองค์ก็แกว้งไปแกว้งมาเหมือนกันจะในชาติที่เป็นคุณธานบัณฑิตบทบวสุกๆ ก, ก, กันอยู่ได้ถึงเจ็ดครั้งเจ็ดคราด้วยกันแต่ในที่สุดก็ประสบความสมําเร็จได้ พิธีชีวิตของคนส่วนใหญ่จึงมีลักษณะจมลงแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงแล้วก็โผล่ขึ้นมาคือไม่ถึงจมหายไปเลยหรือไม่โผล่ไม่ไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าโผล่มาแล้วก็ทรงตัวอยู่ได้บุคคลประเภทที่สามนั้นตกลงไปแล้วหรือจมลงไปแล้วแล้วก็โผล่ขึ้นมาประคองตัวอยู่ได้นั้น ซึ่งก็หมายความว่าเป็นบุคคลประเภทที่สามารถดำรงตนอยู่ในกุศลธรรมได้นานๆอาจจะเริ่มต้นจากจุดใดก็ได้เช่นว่าจุดของสังสารวัฏซึ่งเป็นจุดที่กว้างที่สุดเช่นว่าคนบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในกุศลกรรมบทเป็นต้น เป็นการปิดประตูเจตุรบาได้อย่างน้อยที่สุดก็เกิดเป็นมนุษย์เกิดในเทวโล ก, กเกิดในพรหมโลกก็เกิดขึ้นสูงได้เร่แล้วอาจจะอาศัยอยู่ในพรหมโลกนั่นเองเกิดในพรหมโลกหรืออาศัยเทวโลกเกิดในเทวโลกอาศัยบุญไในมนุษสโลกเกิดในมนุษสโลกเราแสดงว่าทรงตัวอยู่ได้นานหรือในช่วงของชีวิตสั้นๆบุคคนก็จะเห็นว่ามีคนเป็นอันมากที่สามารถ ยกตนขึ้นสู่กระแสของกุศลเจนรักษาสีลห้าแล้วกว็รักษาได้อย่างประนีตขึ้นไปโดยลำดับจนบางอย่างก็รักษาได้เด็ดขาดที่เรียกว่าเป็นสมุติเฉีทวีรัตคือตัดขาดไปเลยไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตไม่รักชอตลอดชีวิตไม่ประพฤติผิดในทางประเวณีตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตหรือไม่เสพสิ่งเสพติดตลอดชีวิต ก็แสดงว่าตั้งอยู่บนกุศลธรรมได้นานบางคนอาจจะเดินไปได้ไกลกว่านั้นจึงมีพรหมหารธรรมเป็นหลักคุ้มครองใจสามารถมองคนมองสัตว์ทั้งหลายในแง่ของเมตตาได้ตลอด แ, ลแสดงออกมาได้ทั้งทางกายทั้งทางวา จ, จาและทางใจดำรงอยู่ได้นานอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นบัณฑิต เป็นนักปราดเป็นสัตว์ปุรดเป็นต้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่จมลงไปได้หรือในช่วงของการบําเพ็ญเพียรก็แตกจากแตกต่างจากประเภทที่สองประเภทที่สองนั้นเพืสังเกตว่าเช่นเวลานั่งสมาธิอาจจะสงบดลฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านและสงบสงบแล้วฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านและสงบ บางครั้งนั่งสมาธิครั้งหนึ่งอาจจะสงบสักสองสามครั้งหนึ่งแต่ออฟุ้งสั้นก็สักสองสามครั้งหนึ่งแต่มาถึงชั้นนี้ถ้าในชั้นของการปฏิบัติทางจิตจิตจะตั้งมั่นอยู่ในสมาธิได้นานแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ได้ตลอดอาจจะฟุ้งออกไปแต่ก็นานกว่าพวกประเภทที่สอง ว่าทุกขั้นตอนจะพบว่าตัวการสําคัญก็อยู่คืออยู่ที่ปริมาณของธรรมะกับปริมาณของอกุศลหรือพูดง่าย ป, ปริมาณของกิเลสกับปริมาณของธรรมะถ้ากิเลสมากมันก็หนักประจมเลยพราคนที่ทําอะไรไปตามอำนาจของกิเลสแรงๆที่เราพูดว่าหนักแผ่นดินหรือหนักโลกนั้นเขาเองก็เป็นผู้หนักเมื่หนักมันก็ต้องตก เราก็จมหายไปแต่ลักษณะของธรรมะนั้นเมื่อประพฤติธปฏิบัติไปแล้วจะมีความเบาให้ลองสังเกตว่าธรรมะเวลาปฏิบัติจะเบาจะเบาขึ้นมาได้เรื่อยความยึดความถือความเอาจริงเอาจังในเรื่องต่างๆก็จะเบาลงไปใจไม่ไปคว้าไม่ไปยึดในสิ่งต่างๆมากนัก สามารถทําใจของตัวเองให้อยู่ด้อารมณ์ในปัจจุบันได้ที่ท่านเรียกว่าตัดปริโพอดคือเครื่องกังวลได้ซึ่งว่าคนที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้มาถึงชั้นนี้แต่ในช่วงของชีวิตก็รักษาความดีไปได้นานๆแต่ในช่วงของการปฏิบัติทางจิตก็สามารถรักษาความสงบไปได้นานๆแต่ในช่วงของการเจริญวิปัสสนา เราสามารถที่จะอาศัยอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงทุ ก, กตาความเป็นทุกอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนให้เกิดขึ้นสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองและปรับใจให้ยอมรับถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ว่าสิ่งจะดีหรือไม่ดีก็าตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนก็มีความรู้ในระดับใรักนี่เอง เกิดขึ้นสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทําใจให้ยอมรับความจริงทั้งสองด้านคือความจริงในชั้นสมมุติด้วยความจริงที่แท้จริงของสิ่งเดล่านั้นเชนว่าโลกธรรมทั้ง8ประการคือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนิน่งได้สุขได้ทุกข์ถูกนินทาสัรเสริจได้สุขได้ทุกข์บางเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะหลายอย่างก็ได้ เราทำใจยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดายามเกเกิดเราก็ยอมรับว่าแกเกิดแต่จุกระจายก็ยอมรับว่าแกเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพอแกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็คือความแปรแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เราเตรียมใจเอาไว้ตั้งแต่ต้น การเตรียมใจในลักษณะนี้ก็เหมือนกับญาติพี่น้องซึ่งจากไปแล้ว ก, กลับมาเยี่ยมใจเราก็ยอมรับไว้ตั้งแต่ตนแล้วว่าแกมาและแกจะไปเพราะเมื่อแกมาก็ยินดีที่แกมาและแกไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะการไปจะททำให้ใจมีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอาไว้นั้นตั้งการปฏิบัติตนในลักษณะที่เรียกว่า อยู่ในอำนาจของเหตุตํงหลวบารีทั้งชากรรมกาณาวสิโกคืออยู่ในอำนาจของเหตุมองสิ่งทั้งหลายในแง่ของความเป็นเหตุเป็นผลในใจของตนก็มีหลักของเหตุผลเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็ได้แก่หลักสับบุริชธรรมสองประการข้า ง, งต้นคือความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลนั่นเองในประการต่อไปนั้น คือสามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ก็เรียกว่าเหยียบใกล้ใกล้ตลิ่งขึ้นไปได้เบรกได้แก่บุคคลถ้าจะมองในแง่ของสังสารวัฏยาวนานก็หมายความว่ามีคติที่เดินมุ่งรุดไปข้างหน้ามีการพัฒนาพพชาติให้สูงขึ้นไปโดยลาดับถ้ามองในแง่ของบุคคลในช่วงชีวิตในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปี หรือแม้แต่แต่ละชาติก็หมายความว่าก้าวเดินสูงขึ้นในกุศลธรรมโดยลาดับาชาวบ้านอาจจะก้าวไปจากทานจากศีลแล้วไปก็ภาวนาถ้าในช่วงของภาวนาก็มีความประนีตลึกลงไปโดยลาดับทั้งในในชั้นของทานในชั้นของศีลชั้นของภาวนาถ้าเป็นพระก็ก้าว เ, เดินไปในชั้นศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีความประนีตขึ้นไปในชั้นศีลสมาธิปัญญา จนเป็นเครื่องแน่นอนเลิศเกินว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงศรัทธาเราก็เรียกว่าอาจารรัตศรัทธาคือศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแม้จะถูกล่อด้วยลาบยศ ด, ด้วยอำนาจด้วยการข่มขู่ด้วยผลประโยชน์อะไรก็ตามคนประเภทนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงศรัทธาที่มีอยู่ในพระศาสนาถ้าในชั้นของจิต หมายความว่ามือสัมผัสความสงบก็ดีสัมผัสปัญญาก็ดีเห็นความจริงในใจลักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีแล้วทุกครั้งที่ได้สัมผัสผลเหล่านั้นกุศลและธรรมเหล่าอื่นมีอิทธิบาทหรือว่าโคดชงเป็นต้นก็เกิดเข้ามาสนับสนุนเป็นแรงผลักดันให้จิตใจของบุคคลเหล่านั้นก้าวเข้าไปสู่ความสงบความเนตความสว่าง้วยปัญญาโดยดำดำับ ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าคนประเภทนี้ก็ปิดประตูจตุระบายได้เป็นผู้เที่ยงต่อความสุขในปัจจุบันและเป็นผู้เที่ยงต่อความสุขที่จะได้จะมีจะเป็นไอโอกาสต่อไปในชั้นต่อไปก็คือพวกที่ขึ้นฝั่งแล้วก็ตั้งตัวได้ให้ความมาเหยียบขึ้นไปบนฝั่งเลยไม่ถูกกระแสน้ำพัด ส่วนสประเภทแรกนั้นยังไงยังไงก็ยังถูกกระแสน้ำก็จะมากหรือจะน้อยก็ตามก็ยังอยู่ในกระแสน้ําแต่ถึงชั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าโสตาปันนะหรือโสดาบันนั้นก็จะเป็นผู้เข้าถึงกระแสคือขึ้นไปถึงฝั่งบางครั้งท่านจึงใช้เรียกว่าผู้ถึงกระแสแห่งปณิพานธ์ถ้าโดยวิหารนี้ก็คือถึงฝั่งของปณิพันธ์นั่นเอง ไม่เข้าถึงนิพพานที่สมบูรณ์เพราะยังไม่บรรลุ อ, ร, อรหัตแต่ก็เข้าถึงฝั่งนิพพานแล้วก็ได้ๆก็เข้าไปที่ประตูห้องแล้วต่อไปก็เดินหน้าไปอีกระยะหนึ่งก็จะเข้าไปอยู่ทั้งใจกลางข้องห้องนี่ก็คือผู้ที่ถึงฝั่งก็เริ่มถึงฝั่งในจุดนี้ที่การถึงฝั่งของพระโสดาบันนั้นถ้ามองในแง่ของกิเลสที่ท่านละ ที่จริงแล้วบุคคลประเภทที่เริ่มโผล่ขึ้นมาและแม้จะจมลงไปก็ตามก็เริ่มสัมผัสธรรมะที่ท่านประพฤติปฏิบัติได้และเริ่มละกิเลสที่ท่านละได้แต่กิเลสเหล่านั้นยังมากบ้างยังหยาบบ้างกลางบ้างประนีตบ้างอยู่เท่านั้นเองจึงทำให้มีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะของบุคคลแต่เมื่อ ปฏิบัติตนมาถึงจุดที่เรียกว่าเข้าถึงฝั่งหรือเข้าถึงกระแสของปนิพันธ์พระโสดาบันท่ก็ละสิ่งที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นเอกถือตัวตือตนทือเราตือเขาแบ่งเป็นเราเป็นเขาพวกเราพวกเขาถึงว่าตามความเป็นจริงแล้วคนประเภทที่สี่ที่ตั้งหลักได้คือไม่ถูกกระแสของน้าพัดผันไปนั้น ก็สามารถลดละความเป็นเราเป็นเขาลงไปได้มากแล้วแต่ลดยังไม่ได้เด็ดขาดบางครั้งถูกอะไรเข้ากระแทกจากข้างนอกก็มีความเป็นเราเป็นเขาเกิดขึ้นได้แต่พอถึงพระโสะดาบันแล้วจะไม่มีความเป็นเราเป็นเขาสามารถถ่ายถอนความยึดถือโดยอำนาจของทิฏฐิแล้วไม่ไปปักใจในแนวความเชื่อที่ว่า เราเป็นขันห้ากันห้าเป็นเราเรามีในกันห้าหรือขันห้ามีในเราอย่างที่เชื่อถือกันพอมาถึงชั้นของความเครือบแคลงสงสัยทึงจะเห็นได้ว่าการศึกษาปฏิบัติเริ่มตั้งแต่คนที่จมลงแล้วก็ผล่ขึ้นมาแล้วแม่จะจมลงอีกก็ตามแสดงว่าเริ่มขจัดความสงสัยลงไปโดยดังดับเมื่อความเครือบแคลงสงสัยจางลงไปปัญญาก็เพิ่มขึ้นจางลงไปปัญญาก็เพิ่มขึ้น ค า, าก็เราถูพื้นสิ่งสกรปรกหายไปความสะอาดก็เพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มขึ้นโดยลําดับพราว่าถึงจุดหนึ่งเป็นการตัดได้เด็ดขาดจนความเครือบแคลงสงสัยจากข้อนี้เองจะเห็นได้ว่าการถกเถียงกันว่าอะไรเป็นธรรมเป็นวิไนไอ้นั้นไม่ใช่ธรรมนั้นไม่ใช่วิไนนั้นถูกนั้นผิดเป็นต้น จะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลตั้งแต่เป็นพระโสะดาบันขึ้นไปเพราะอะไรพระโสะดาบันนั้นเรียกว่าทิฏฐิสำปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นด้วยสมบูรณ์ในทิฏฐิการตกเถียงจึงมีอยู่ในหมู่ของปุถุชนการตกเถียงไม่มีในหมู่พระอริยะและการตกเถียงจะน้อยลงไปโดยลำดับเมื่อคนมีความฉลาดขึ้น นคนระดับสัตว์ปุรุตระดับปัญญูชนระดับนักปรารถนระดับบัณฑิต ท, ทั้งหลายจึงมีการถกเถียงกันน้อยการที่เถียงกันมากจึงมีอยู่ในหมู่ของคนผ่านต่ขาดปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องเป็นเครื่องพินิษพิจารณาบางครั้งก็เป็นลักษณะของทิฏฐิเป็นความถือรั้นปักใจลงไปอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่เป็นต้ละละนลักษณะของศีลพปตประมาที่ประสงค์ดับบรรทัละได้ ซึ่งก็หมายความได้ว่าในแง่ของการประพฤติปฏิบัติที่คนเดินมาในในขั้นตอนต่างๆทั้งสี่ขั้นอันที่กล่าวแล้วเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงในด้านลดละโมหะคือความหลงลงไปปัญญาก็ส่องขึ้นภายในจิตใจของบุคคลให้สว่างขึ้นการประพฤติปฏิบัติในลักษณะที่งม ง, งายไร้เหตุผล ก็จะลดน้อยลงไปโดยดั่งดเพียงแต่ว่าบางขัน้นแม้ตัวเองจะไม่ยึดไม่ถืออะไรแต่ก็มองคนอื่นด้วยความกรุณาด้วยความเมตตาต่อคนเหล่านั้นในฐานะที่เป็นเด็กซึ่งยังเล่นตุ๊ ก, กตาอยู่ก็ปล่อยให้กเล่นตุ๊ ก, กตาไปตัวเองก็ไม่ไปขัดขวางเด็กในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะให้เหตุผลชี้แจงให้เด็กแกเข้าใจ ถึงสิ่งต่างๆเดี๋ยวมื่อถึงจุดหนังเด็กแกก็เลิกเล่นตุ๊กตาไปเองสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเข้าถึงฟังอย่างแท้จริงซึ่งววาที่จริงก็เริ่มแท้จริงมาตั้งแต่ประโสดาบันดังกล่าวแล้วแต่นั้นบนเส้นทางสายเดียวกันนี้เองที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมะทั้งหมดนั้นก็เพื่อให้บุก คนพยายามที่จะอย่างน้อยก็ประคองตนในสางสารวัตรได้ได้คือไม่จะจมหายไปเลยอย่างน้อยที่สุดก็โผล่ขึ้นมาแม้จะจมลงไปอีกก็ยังดีเพื่อให้ชีวิตของบุคคลนั้นได้สัมผัสความดีไม่จะไปชั่วอยู่ตลอดหรือทุกข์อยู่ตลอดควรจะรับความสุขในชั้นใดชั้นหนึ่งบ้าง ธรรมปรยาที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆในระดับต่างๆก็เพื่อช่วยคนประเภทที่จมลงแล้วก็โผล่ขึ้นแล้วก็จมลงแล้วก็โผล่ขึ้นเพื่ อ, อยังไงยังไงก็ให้ประคองตัวได้รับความสุขบ้างเพราะเรื่องเหล่านี้ขอเพียงแต่สัมผัสและจากนั้นจิตใจก็จะเกิดชั้นทะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสให้มากยิ่งขึ้น ใกล้ๆกเราเดินมาตั้งกลางแสงแดดที่ร้อนจ้าพอใกล้ร่มเงาไม้เข้าไปรู้สึกเย็นมันก็รีบเดินเข้าไปให้ถึงจุดที่เย็นที่สุดพอเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดมากมั้นกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าในชั้นทานชั้นศีลชั้นภาวนาหรือชั้นศีลสมาธิปัญญาที่พูดกันสองทางคือทานศีลภาวนานั้นพูดสำารชาวบ้าน ศีลสมาธิปัญญานั้นทรงแสดงสำหรับนักบวชแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นเมื่อบุคคลได้สัมผัสถึงผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีจะสร้างอิทธิบาทคือความชันทะความพอใจจิตใจ จ, จดจ่อบุ่งมั่นและความใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อสัมผัสผ ล, ผลมากยิ่งขึ้นกุศลธรรมก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิต ทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถดำรงตนรักษาตนไว้ได้แม้จะยังไม่ถึงกระแสของพระนิพพานก็ตามต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป